สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่28ครับสุภาษิตบทที่28ข้อ1 3จนถึงข้อที่17โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเรินแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาคนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็ได้รับพร แต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างจะตกในความลำบากยากเย็นผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงค์คำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้ผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้ายแต่บุคคลที่เกลียดกำไรอธรรมย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไปคนใดที่มีกรรมชั่วเรื่องโลหิตของคนอื่นคนนั้น ก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนตายอย่าให้ใครช่วยเขาเลยพี่น้องครับเราจะมาเริ่มในข้อที่13ครับข้ออักษรบอกว่าคนที่ซ่อนความบาปหรือการละเมิดจะไม่เจริญความพยายามต่างๆครับที่จะปกปิดความบาปของตนแทนที่จะต้องสารภาพสำนึกและขอการอภัยโทษและละทิ้งความบาปเหล่านั้นไปเสียนะครับ ความพยายามที่จะปกปิดบาปต่างๆนั้นก็จะใช้การไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่จะไม่เจริญครับคนที่ซ่อนความบาปจะไม่เจริญเพราะบาปเหล่านั้นจะทำลายทำลายคนนั้นเหมือนกับมะเร็งและบาปเหล่านั้นก็จะกระตุ้นการพิพากษาของพระเจ้าดังนั้นเองครับความบาปนะครับจะต้องสารภาพเมื่อทำบาปเราจะต้องตระหนักว่าเราเป็นคนบาป เราได้ทำผิดเราต้องขอาการอภัยและกลับใจใหม่คาว่ากลับใจใหม่เป็นเสมือนการทิ้งครับทิ้งความบาปเหล่านั้นเสียแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกพี่น้องครับสิ่งที่พระคัมปีหมายถึงก็คือการกลับใจใหม่นั่นเองการ r e p e น t นะครับการกลับใจใหม่นั่นก็นำมาสู่ความโปรดปรานของพระเจ้าครับ พูดง่ายอีกแง่หนึ่งก็คือว่าความการกลับใจใหม่นั้นก็นำความปวดปรานของพระเจ้าออกมานะครับและก็บ่อยครั้งทีเดียวก็จะนำการนับถือจากคนอื่นๆ อ, ออกมาด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อเราสารภาพบาปเรากลับเนื้อกลับตัวเรากลับใจใหม่นะครับคนอื่นก็จะยกโทษให้กับเราคนอื่นก็จะชื่นชมเราน่าเสียดายที่คนบางคนปากแข็งนะครับ คำ ว, ว่าปลกแข็งก็คือว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดในใจแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดเพราะกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มนะครับแท้จริงแล้วเขาลืมไปครับว่าการจัดการกับความบาปด้วยการสารภาพบาปด้วยความตั้งใจที่จะเลิกทาอีกด้วยท่าทีของการกลับใจใหม่เป็นวิธีที่ง่ายและดีกว่ามากครับผมย ก, ยกตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดครับ การสารภาพบาปของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ได้รับความกรุณาและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าความเสียใจตรงนี้ครับก็จะทำให้พระเจ้าสงสารพระเจ้าเมตตาและพระเจ้าจะยกบาปให้ต่อไปครับในข้อที่14ครับคนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็จะได้รับพรแต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างกระตกอยู่ในความลำบากยากเย็นเพียงครับในข้อที่14นั้น ก็จะมีบางฉบับนะครับบางเวอร์ชั่นที่เพิ่มคําว่าพระเจ้าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอก็ได้รับพรก็ไม่ผิดครับแต่ในบางฉบับบางเวอร์ชันนั้นก็จะไม่เพิ่มครับเขียนว่าคนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็จะได้รับพรถามว่าเกรงกลัวนั้นเกรงกลัวอะไรที่จะได้รับพรครับโอเคครับเกรงกลัวพระเจ้าได้รับพรแน่นอนนะครับ และอีกแง่หนึ่งครับก็คือเกรงกลัวหรือกลัวต่อผลของความบาปนะครับคนที่มีความกลัวบาปนะฮะเขาจะมีความสุขได้รับผาพรและจะไม่ทำให้ใจของตนแข็งกระด้างและไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในความลำบากยากเย็นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับเราต้องเกรงกลัวบาปในวิริการเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าครับยำเกรงพระเจ้า นะครับแล้วก็กลัวบาปมันจะทําให้ชีวิตของเราไม่ตกอยู่ในความลำบากยากเย็นในทางกลับกันครับชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นพรในข้อ15ผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงค์คำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้ข้อ16ครับผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นเหมือนกับผู้บีบบังคับที่ดุร้ายแต่บุคคลที่เกียดกำไ ร, รรมย่อมยืดปีเดือนเขาออกไป สิบนั้นอธิบายพร้อมกันครับว่าอันตรายของการที่คนชั่วร้ายมีอำนาจหรือมีอำนาจเพิ่มขึ้นทวีอำนาจนะครับเรายูแล้วครับว่าผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายนั้นก็จะโหดร้ายไร้คุณธรรมน่ากลัวเหมือนสิงห์เหมือนหมีคนไร้ที่พึ่งก็คือคนอ่อนแอหรือคนยากจนคนครอบครองที่ชั่วร้ายนะครับขาดความเข้าใจขาดสามัญสำนึกที่ดีก็จะ กดขี่คนยากจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆในบ้านเมืองของเราคนที่มีความร่ำรวยนะครับมีอำนาจก็จะกดขี่ใช้แรงงานของผู้ที่อาจจะยากจนกว่านะครับไร้อำนาจการปกครองคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิด ในทางกลับกันครับพระกัมพีสอนว่าคนที่ไม่ยอมใช้อำนาจของตวในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองที่เราเรียกว่ากําไรอัรทมเขาจะได้รับพระพรของพระเจ้าโดยการมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินโลกครับแต่นี่คือแสดงว่าผู้นำที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นผู้นำที่ชั่วร้ายผู้นำที่มีผลประโยชน์ของตัวเองสูงนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนจะไม่มีชีวิตยืนนานครับ พี่น้องครับเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อที่17คนใดที่มีกรรมชั่วเรื่องโลหิตของคนอื่นคนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนตายอย่าให้ใครช่วยเขาเลยพี่น้องครับก็เหมือนกับข้อข้างต้นนะครับวันที่แล้วเราพบว่าความรู้สึกผิดของคนเนี่ยนะครับย่อมไล่ตามเขาไปความรู้สึกผิดนั่นก็จะทรมานเขาและเขาต้องพยายามหลบหนีการลงโทษ ชีวิตของเขานั้นจะไม่นิ่งชีวิตของเขาจะไม่หยุดชีวิตของเขานั้นจะเหนื่อยตลอดทางหนีรอดทางเดียวของเขาก็คือความตายครับพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูเปิดโอกาสครับพระเจ้าพระเยซูเปิดโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะหนีไปที่เรียกว่าเมืองลีไัยในพระกัมพีเดิมเมืองลีไพยก็คือเป็นเมืองที่คนที่รู้ตัวว่าตัวเองทาผิด ตัวเองต้องถูกลงโทษแล้วตัวเองไม่อยากตายต้องเข้าไปขอรีไภัยอยู่ในเมืองนั้นพี่น้องครับเมืองรีไภัยนั้นเปรียบเสมือนกับพระเยซูคริสต์กับหรือไม้กางเขนหรือร่มพระคุณของพระเยซูสามารถเปรียบเทียบได้ครับเพรา ะ, ะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องกลับใจใหม่และอยู่ภายใต้การเขนของพระเยซูอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระเยซู อยู่ภายใต้สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําบนไม้เขนนั่นคือการที่พระเยซูได้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์หลั่งเลือดของพระองค์เพื่อที่จะชํำระล้างความผิดบาปของเราพี่น้องครับคนที่พยายามปลอบโยนนะครับคนหรือช่วยเขาออกนอกลูก่นอกทางช่วยอาชญากรถือว่าเป็นความผิดแต่ช่วยอ า, อาชญากรที่เข้าสู่ลู่สู่ทางของพระเจ้านะครับก็คือช่วยเขาให้ได้รับความรอดก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้คนกลับใจนําคนขึ้นสู่สวรรค์ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะหลีกนี้จากคนอธรรมแต่ในเวลาเดียวกันครับเราต้องรักเขาเราต้องรักเขาและเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขากลับใจใหม่เมื่อเขารู้สึกเกรงกลัวพระเจ้ารู้สึกเกรงกลัวบาปแล้วเราก็ขอพระเจ้าที่จะให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้น ให้ได้รับความรอดครับอเมน